รธรรมเทศนาแผ่นที่87ดลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่12ตุลาคม2558มีชื่อเรื่องว่าเอาร่างกายเป็นหินรับปัญญา ก่อนหน้านี้ก่อนที่พวกเราจะลงอุโบสถรู้สึกว่าชนีร้องดังไมรออ่รู้ว่าฝนจะต่ออีกแล้วว่าฝนจะหยุดดวมันมีสองอย่างเหมือนกันนะแต่มันรู้สึกว่าร้องขยันขันแข็งเหลือเกินกีเนี่ย วันนี้เป็นวันพระเดือนสิบดับตรงกับวันที่สิบสองตุลาคมพุทธศักราช2 5 5 8พวกเราเมื่อเช้าก็ทำกิจกรรมใส่บาตพี่น้องประชาชนมากพอสมควรมากทีเดียวละ่ะ ตอนเที่ยงวันนี้ก็ลงอุโบสถเราเพิ่งลงอุโบสถจบลงสักครู่นี้เราได้สวดพระปฏิโมกข์พระสงฆ์ห้าสิบสองรูปแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงจะออกพรรษาเอกสองวันพระอุโบสถหน้านี่ก็ใช่ละ เป็นวันประวรณาออกพรรษาก็ให้พระลูกหลานทุกองนะให้เรียนคำปรวรณาเอาไว้อย่าให้ขาดตกบกพ่องเพราะว่าคำประวรณาคำเนี้รู้สึกวา ม, มันได้พูดคนเดียวนะได้พูดคนเดียวเพราะนั้นมันต้องได้ท่องพอสมควรแต่ลูกพ่อเองก็ไม่ได้หนักใจเพราะพระลูกหลาน ที่ผ่านมาแล้วก็ในการฝึกหัดหน้าก็พอรู้อยู่ก็ไม่ใช่ว่าอืดอาดนะพร้อมที่จะท่องได้ง่ายเพียงนิดหน่อยแต่ถึงยังไงแต่ถ้ า, าว่าไม่ใส่ใจใกล้วันยังไปท่องมันก็ยากเหมือนกันนะแต่เรารู้จักแต่นนเนินเพราะหลวงพ่อเองจึงเตือนพวกเราแต่นนเนินให้สาธยาย ท่องคำประวรณิาออกพรรษาแล้วก็พร้อมกันในช่วงนี้ช่วงจะออกพรรษาพวกเราก็ตามปกติก็ได้เตรียมพร้อมทำความสะอาดพวกที่นอนหมอนมุ้งผ้าห่มอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ไปชุมหาเรือกันนั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นประเพณีส่วนหนึ่งไม่ใช่เป็นประเพณีเราเพราะว่าพวกเราก็ต้องมีการาทาความสะอาด พวกผ้าห่มพวกอะไรภายในวัดของเราที่เราได้ใช้มามาักมาตากแล้วก็ผืนไหนสำรุดทุตโอมก็เอาออกช่วยกันดูนสรุปแล้วก็คือต้องการความพร้อมเพียงส ม, มัคคีในหมู่ในคณะเหมือนกันในช่วงนี้ให้ช่วยๆกันทำนะอย่าเวลาการทำงานทางานอย่าไปหยอกไปล้อไปเล่นกัน ทำให้ทะเลาะพิวาทกันได้ง่ายทำความทำให้ไม่เข้าใจกันได้ง่ายเพราะนั้นต่างคนต่างสารวมระวังการอยู่ด้วยกันเพราะเรามาจากต่างถิน่นต่างฐานต่างพ่อต่างแม่ต่างวงสาคณาญาติต่างตระกูลเพราะนั้นถึงยังไงเข้ามาในในพระพุทธศาสนาเข้ามาในอยู่ใน ร่มเงาของพวกธร า, าสนาเข้ามาอยู่ใกล้หลวงพ่อหลวงพ่อเมตตาพยายามสอนพาลูกหลานให้อยู่ในศีลในธรรมอยู่ในกรอบสา ม, มัคคีความพร้อมเพียงสา ม, มัคคีในหมู่ในคณะเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายให้สำรวมระวังนะอย่าให้มีเรื่องมันจวนจะออกพรรษาแล้วราคต่างเมื่อออกพรรษาแล้วก็จะได้คิดถึง ผู้ที่จะไปเป็นคารวะาก็มีแล้วก็ผู้ที่จะดำงรงรงศาสนาอยู่ต่อไปก็มีเพราะนั้นถ้าพวกเรามีแต่เอาคุณงามความดีเข้าหากันไม่ได้เอาเรื่องความชั่วช้าเสียหายเข้ามาหากันพวกเราก็อยู่ด้วยกันถึงจะจากกันไปเราก็ยังคิดถึงกันเคารพนับถือกัน กูรูหนุนกันแต่เมื่อเราเป็นอยู่เป็นพระแล้วก็ต้องอาศัยคารวะญาติโยมที่ออกไปพวกลูกลูกหลานหลานแเมื่อพวกลูกลูกหลานหลานก็เหมือนกันแต่มีเรื่องอะไรครับอกคับใจร้อนอกร้อนใจก็ได้พึ่งพาอาศัยวัดวาศาสนาต้องอาศัยพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ มันก็ต้องใ้พึ่งพาอาศัยกันอยู่โดยดีถ้าพวกเราเอาความดีเข้าหากันนะแต่พวกเราเอาแต่ความไม่ดีเข้าหากันก็เสียหายนะเพราะนั้นขอฝากบอกกล่าวให้กับพระลูกพระหลานทั้งหลายให้จำรมระวังการประพฤติปฏิบัตินี่กระวนจะออกพรรษาเต็มทนอีกสองพันพระนาเนี่ก็ใช่ละในเมื่องานกระถินของพวกเรา ให้สอบซ้อมกันไว้กลุ่มรวมกลุ่มกันใครจะเป็นองค์อุปโภคใครจะเป็นองค์สวดก็ ใ, ให้ช่วยๆกันแบ่งหน้าที่กันแล้วก็บแบ่งหน้าที่กันการดูแลการงานแล้วก็ถ้าว่าเป็นไปได้ช่วงทินหน้าฝนผ่านไปแล้วมันเป็นหลุมเป็นหลมที่ไหนก็ ใ, ให้พวกผู้เฒ่าพวกผู้สูงอายุ หยาดโยงของเราเนี่ยพาไปกบถมที่เป็นหลุมเป็นบอ่อที่มันน้ำกัดน้ำซอะแล้วก็พ้องการก็ให้ได้หญ้าออกจากถนนที่มันเฟืย้ยมันอะไรช่วยกันดนะูสรุปแล้วนะเพราะเราเคยทำมาทุกปีตัวที่ออกพรรษาเพราะว่าคู่คนหยาดโยงเข้ามาเกี่ยวข้องมา น, นมาอยู่พักฟัด ว่าศาสนาของเราขต๋องช่วยกันนะแล้วก็พร้อมกันเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องจิตตภาวนาพอมาพูดถึงแล้วผมก็คิดถึงอง์หลวงตาเลิศเกินที่ธรรมะที่ท่านจะพูดอย่างที่เมื่อวานที่ท่านจะแนะนําสั่งสอนแต่จะทํายังไงได้หลวงตาก็จุตินิพพานไปแล้วมาถึงยุคของเรา เราก็จำเป็นต้องต้องพูดแก้ไขปัญหาแต่ว่าเรื่องปัญหาอย่างเมื่อเช้านี่จะให้องค์หลวงตาเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดแล้วก็เป็นปัญหาที่แปลกเหมือนกันที่ได้ ย, ยินยินเมื่อวานแล้วก็เป็นคนที่ดุงดูและเป็นคนที่ซื่อๆ อ, อายุก็ไม่ใชน้อยอายุตั้งเกือบจะห้าสิบหกสิบเขาแล้วดูดู ่การภาวนามันเป็นอย่างนั้นแพวกเราท่านทั้งหลายแต่ถึงยังไงอย่าให้หนีจากหลักอันนี้จางทุกขังอนาตาสมถะและวิปัสสนาสมัถะคือทำจิตใจให้สงบวิปัสสนาคือการกลองไตรตรองเหตุและผลวิปัสสนาพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาพิจารณาร่างกาย พิจารณาร่างกายร่างกายในเป็นหินลับปัญญาการที่จะภาวนาอย่าห่างห่างเหินจากร่างกายไม่ได้ดหินลับไม่ใช่มีดนะมีดอันหนึ่งหินลับอันหนึ่งไม่ใช่ว่าพิจารณากายนั่นแ่ะนั่นหละมันจะพ้นทุกในจุดนั้นไม่ใช่แค่เพียงแต่หินลับปัญญาหลัลบให้คม จะหนี้จะกายไม่ได้ตัวไหนเป็นมีดเนี่ยละมีดก็คือใจตัวนามธรรมตัวผู้รู้ตัวนั้นละ่ะอตัวที่กายยทธิ์ตัวนี้ก่อนที่จะถึงจุดนั้นได้มันก็ต้องเนี่ยละเริ่มตั้งแต่ศีลอย่างที่พวกเราสวดลงจบสวดลงจบลงสักครู่นี้อถ้าหากว่าศีนต่างพร้อยศีนไม่บริ ส, สุทธิ์เอเป็นที่ตำหนิในศีน ไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์รักษาศีลแบบไม่ให้ความเคารพในศีลจะนั่งภาวนาจิตใจมันก็เป็นมันเป็นมลถินมันเป็นผงธุลีอยู่ในจิตใจจะนั่งภาวนามันก็เหมือนกับตาเมื่อกระจกเหมือนกระ จ, จกที่มันมีฝุ่นละอองธุลีเกลืไปหมด มันมองไม่ทะลุมันมองไม่เห็นเพราะนั้นเรื่องศีลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญที่พวกเราได้รักษาศีลตลอดมาตั้งแต่วันบวชศีลสองอย่าใหเจ็ดย้าขาดตกบกพร่องให้ทบทวนดูไว้อยู่เสมอข้อไหนมันขาดตกบกพร่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่การฉันให้ระมัดระวังอันไหนเป็น สันนิธิคล้ายๆกว่าเป็นอาบัตนินจคียาปาจิตตีอย่างรับประเคณของอย่างนี้อันไหนควรรับประเคณอันไหนไม่ควรรับประเคณให้พวกเราท่านทั้งหลายไว้ใจกันไม่ใช่องค์หนึ่งทําลุ่มราบองค์หนึ่งกํลาลังเกียรติไม่ใช่อย่างนั้นต้องเชื่อฟังกันเพราะอยู่ด้วยกันเพราะนั้นเรื่องศีลและวินัยต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ด้วยกันเสมอกัน ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสารานิยธรรมทมเป็นเครื่องให้อยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกมีการรักษาศีลรักษาศีลมีทิฏฐิเสมอกันมีความเห็นเสมอกันแล้วก็แบ่งปันราบที่ตนได้มาโดยชอบธรรม นี่แหละเรื่องศีลเป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เสมอกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้พ่อมันจ้อยยอนนะให้พวกเราศึกษาสา ร, ส า, รานิยธรรมรำที่เป็นเหตุให้อยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขอยู่ในนวควานะศึกษาอ่านดนะูนี่แหละให้พวกเราศึกษาแล้วก็จดจําเอาไว้ จนถึงที่ว่าให้มีทิฏฐิเสมอกันอย่าแข่งแย่งกันเพราะเราเข้ามาศึกษาศึกษาในแนวแถวเดียวกันดึกษาแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อโพูดถ้าเราไปศึกษาสายอื่นก็เป็นอย่างอื่นในเท่าเราเข้ามาศึกษาแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสอนยังไงสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านอย่างองค์หลวงตาเท่านัน แนะนําสั่งสอนอย่างไรท่านปฏิบัติได้อย่างไรทั้งเข้มาสอนสอนกระทั้งมีอะไรเมื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็เรื่องภาวนาสมถะคือทําจิตใจให้สงบคําว่าสมาัติะคํานี้คืออะไรจะเจับจิตใจสงบสงบอย่างไรก็ได้ใช้กรรมฐานทั้งสี่สบอย่างหรือเกินกว่านั้นก็มีกรรมฐานที่จะทําจิตใจให้สงบอย่างที่หลวงพ่อพูด ถ้าเราอยากจะรู้ว่าใจของเราเนี่ยปุ่งฟุ้งเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่ยังไงไม่ต้องถามใครไม่ต้องรู้จักไม่ต้องอให้นึกคิดไปอย่างอื่นให้นับหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองอแล้วก็มันเผลอไปช่วงไหนาหายใจเข้าเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่ขี้คู่ขี้คู่ ถ้ามันเผลอมันเกิดเนี่ยล่ะคู่ขี้มันสลับไปจะแสดงว่ามันเผลอแล้วเรารู้ได้ด้วยตนเองว่าใจของเรานี่มันเป็นสมาธิได้ยาวมากน้อยแค่ไหนไม่ต้องถามใครในเมื่อใจของเรายังเอาสมาธิก็ยังเอาไม่อยู่ปุงฟุ้งไปอย่างอื่นเราอย่าหวังเลยสมาธิส่วนอื่นที่จะเกิดขึ้นจะสงบาราบรื่นไปได้ เพียงเอาเพียงหาย ใ, ใจเข้าขี้คู่เท่านั้นเองมันก็ยังคู่ขี้ฮะมันยังสลับกันได้เพราะนั้นเราสติของเราไปไหนต้องตั้งสติให้เข้มแข็งถ้าเรามีสติเข้มแข็งแล้ว เ, เอามันไม่ได้มันไม่เป็นไม่มีปัญหาเลยจุดนั้นได้ในเมื่อเราเป็นสติของเราดีมีสติดีแล้วสติของเราเน่งจับ ลมหายใจเข้าออกอยู่นิ่งไม่ทะเลธไหลพอเป็นสมาธิดีแล้วเรานามาพิจารณาทางวิปัสสนาก็อย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อเช้าพิจารณาร่างกายพิจารณาอสุภะพิจารณามรณะนุสตพิพิจารณากระดูก อ, อ, อยู่ในกายของเราเสรุปแล้วก็คืออยู่ในกายทั้งหมดหลวงพ่อไม่ได้พูดออกนอกกายเมื่อเช้านี่ให้เห็นมรณะก็ใครตายกายตาย อจุพะจุภะคืออะไรจุภะอยู่ในร่างกายธาตุซีคืออะไรธาตุซีอยู่ในร่างกายพิจารณาโครงกระดูกโครงกระดูกคือร่างกายก็แปลว่าให้อยู่ในร่างกายไม่ให้ออกนอกร่างกายแต่ว่าสรุปแล้วคือร่างกายเป็นหินลับปัญญาในเมื่อเราเห็นร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี่จะต้องทุบพลภาพแตกสลายตายลงไปสู่ดินน้ำลมไฟดิน น้ำลงไปคือเอาไปเผ า, าพอไปเผาไฟนน้ำก็แห้งอพอไฟไหมอย่างนั้นก็ไฟก็บเผาร่างกายพอเผาร่างกายเสร็จแล้วก็มีตะกะั่ดูกระดูก็ไปโปรยลงไปในดินมันก็เป็นดินเป็นปุ๋ยร่างกายของเราเสู่ดินน้ำลมไฟสรุปแล้วคือดินไปสู่ดินน้ำไปสู่น้ำลมไปสู่ลมไฟไปสู่ไฟจบในร่างกายของเราแต่ตัวนามธรรมคือตัวผู้รู้นะ่ะ ที่รู้รู้อยู่เดี่ยวนี้น่ะที่มาอยู่กับร่างกายที่ใช้ร่างร่างกายของตนเองนะตัวนั้นแหละสาคัญตัวนั้นตัวการใหญ่ตัวนั้นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราให้ความสําคัญอย่างมากแต่ว่ามนโนมนโนปุพังขามาธรรมามนโนเสรามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจแต่ใจดวงนี้มันมาอาศัยร่างกาย หลวงพ่อก็เลยเปียกเพียวว่าร่างกายเหมือนกับรถนามธรรมาคือตัวโซโฟเฟอร์เหมือนกับโซโฟเฟอร์รถนี่แหละพราะพระเจ้าให้ความสําคัญโซฟเฟอร์รถขั้นนี้แหละสำคัญเพราะฉะนั้นโซฟเฟอร์รถคันนี้มันหลงมันหลงร่างกายว่าร่างกายเนี่ยเป็นของตนเองแ ท, แท้เพราะตัวเองขับออกมาจากอู่คือท้องแม่พอออกมาแล้วกันนะหลงตัวเอง ว่าตัวเองจะอยู่โชกฟ้าดินทลายตายไม่เป็นพอว่าตายไม่เป็นคณะดันหลงคนอื่นละเถอะนะหลงสามีภรรยาหลงลูกหลงเงินคามทรัพย์สมบัติหลงยศถาบรรดาศักดิหลงสิ่งต่างๆทั่วมีอะไรขึ้นมาหลงหมดหลงกระทั่งบริหารหลงบาทหลงจีวรหลงวัดวาศาสนาหลงบริษัทบริวารลูกน้องมันหลงไปหมดเพราะมันหลงร่างกายละ ถ้ามันไม่หลงร่างกายเสียอย่างเดียวมันจะหาที่หลงไม่ได้ร่างกายแทๆ้ๆยังไม่ใช่ตัวตนของเราใจ เ, ออเราจะไปหลงอย่างอื่นได้ยังไงในเมื่อเราไม่เห็นไม่หลงร่างกายเราก็ไม่หลงส่วนอื่นในไม่หลงส่วนอื่นแล้วนะั่นจะรู้เท่ารู้ทันกาหนดมาดูที่ตัวผู้รู้คือใจไม่ต้องสนใจเรื่องกายเลยทสนี้เพราะกายมันเป็นหินลับปัญญาเท่านั้น ในมุ่นเมื่อรับปัญญาให้คมแล้วก็กลับมาหาตัวผู้รู้คือใจดูใจเพราะสติของเราดีแล้วจ่ออยู่ที่ใจใจคิดนึกนึกคิดเรื่องอะไรใจของเราไปเต็มมันไปทางไหนมันไปทางกามม่กิเลสราคะหรือโทสะหรือว่าความลุ่มหลงมัวเมาตัวไหนอยู่ในใจของเราในขณะนี้เดี๋ยวนี้ มองเข้ามาตัวผู้รู้คือใจพอมองเข้ามาเห็นตัวใจใจของเราเนี่ยมันนึกคิดมันจะสวับออกไปอยู่เรื่อยเฮ้มันเผลอวับออกไปเออมันก็เหมือนกับมันจะออกไปกับคืนเหมือนกับมันเกิดพอมันเกิดท่านความคิดเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับดับแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ดับมันเดิดเกิดดับอยู่ในตัวนั้นมันมีจุดมีต่อมความเกิดความดับของมันอยู่ในตัวผู้รู้นั้น จากนั้นเราก็พิจารณาถึงตัวผู้รู้นั้นปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นนิ่พิธาคือความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตรงนั้นบงหน่วยที่มันเกิดดับถ้าเบื่อหน่ายมันได้อะไรพอมันเบื่อหน่ายดับลงไปแล้วตัวที่รู้แจ้งเห็นจริงตัวที่สิ่งที่แปลกปลอมอยู่ในใจของเราคือกิเลสราคะโทสะเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ กรเด็นกระดอนหลุดออกไปมีแต่ความบริสุทธิ์่ความบริสุทธิ์อหลุดพ้นว่าสิ่งที่จะพาให้ไปเกิดแก่เจ็บตายต่อไปภายภาคหน้านั้นไม่มีอีกแล้วพอละกําคําจัดออกแล้วด้วยธรรมคือศีลสมาธิปัญญาของเรานี่แหละอันนี้ก็คือความบริสุทธิ์อยู่ในจุดนั้นนะมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ไม่ได้หาที่ไหนนะตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจี้ลงเออ เข้ามาถูกจุดผู้รู้คือนามธรรมคือใจทั้งนั้นให้พวกเราศึกษานะศึกษาในแนวปฏิปทาของหลวงปู่ลงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหรือพระไตรปิฎกก็เถอะนะท่านอาจจะพูดผิวเผิน เ, เสียดไปเสียดมาแต่ไม่เหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่าน ป, ปฏิบัติมาแล้วนะท่านจ่อจุดเข้าไปเลยในจุดนั้นมันอยู่จุดนี้ท่านบอกอย่างนั้นเลย ก็นั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะพระเนรทุกหลานทุกองผู้จะดำงรงสงรศาสนาต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยแหละเรื่องภาวนาจุดนี้แหละให้ดูจุดนี้ถ้าเอาจุดนี้อยู่แล้วนั่นแะจุดนี้เป็นมาตรฐานเป็นสแตนดาร์ดไม่กระดุกกระดิกไม่ขึ้นไม่ลงเป็นมาตรฐานแล้วนั่นแหละมาตรฐาฐานของจิตใจคือ ผู้บริสุทธ์หลุดพ้นคือพระอรหันต์แต่ยังไม่ถึงจุดนั้นกพวกเราจะต้องสู้กันไปต่อไปแต่พยายามประกอบคุณงามความดีตั้งแต่เริ่มระวังเรื่องศีลศีล ส, สมาธิและก็ปัญญาทั้งสามอย่างเนี่ยเราเป็นพระนะแต่ขณะสำหรับฆราวาสญาติโยมหลวงพ่อได้พูดว่าทานศีลภาวนาฆราวาสต้องมีทานด้วย การอยู่เป็นคารวะต้องเป็นผู้มีเสียต้องเสียสละต้องทำมาหาเลี้ยงชีพทานมีสินสินเนี่เป็นเครื่องปกป้องผู้ใดมีสินเหมือนกับผู้นั้นจับไปอยู่บนสวรรค์คุณงามความดีพักไปอยู่บนสวรรค์ถ้าหากว่าใครไม่มีสินมันตกต่ำ เข้าคุกเข้าตารางตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดิฉานช้างมา้าโบควายหมูหมาเป็ดไก่ได้ทั้งนั้นเพราะนั้นเรื่องศีลสำคัจําเป็นทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายครวัตแต่แต่ฝ่ายพระนั้นไม่มีเรื่องทานมีแต่ทานก็คือให้อภัยทานธรรมทานวิทยาทานเราให้ทานสําหรับพระ แต่สําหรับฆราวาสเ น, นี่ยอมิสสถานต้องมีอมิสสถานด้วยแต่พวกเราอมิสสถานมีไหมก็มีอยู่บ้างที่ได้อติเลขลาบมาโดยเป็นธรรมแล้วก็แบง่งแบกแบก แ, แจกแบง่งให้กับสหธรร ม, มิกแก่ผู้ที่มีความร่อยมีความทุกข์ยากลําบากกว่าเรามีความจําเป็นในเรื่องปัจจัยสี่แล้วก็แบ่งให้พอเราอยู่ด้วยกันในโลก ถ้าเห็นหมาหิวมาเรากินอิ่มแล้วอย่างภาษาไรบอท่านไปบินธบัตกลับมากลับมาไม่ใหม่มาเห็นหมาอแม่ลูกอ่อนแม่แม่ลูกอ่อนมันจะกินลูกของมัอนอภาษาไรบุตรเห็นเห็นหมาโอ้มันจะกินลูกของมันได เ, น, เ น, น, น, น, นี่ยหมาตัวนี้มันหิวนะ่ะเอท่านก็ล้วงคอของท่านอ้วกออกมาให้หมาตัวตัวแม่มันกิน พอแม่มันกินมันก็อิ่มแล้ววันนะแต่วันต่อไปท่านก็มาได้พูดว่ามันจะกินแล้วไม่กินนะกินลูกของมันนี่แหละความเมตตาการอยู่ด้วยกันขนาดเห็นอพระอรหันตสารีบุตรท่านเห็นหมามันหมาหิวท่านก็นยังล้วงคอตัวเองอาเจียนให้หมากิน น, ะนี่แหละการอยู่ด้วยกัน เราเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทั้งหลายการอยู่ด้วยการต้องมีเมตตาสรุปแล้วเมตตาต่อสรรพสัตต์ทั้งหลายเมตตาต่อหมกขพวกเพื่อนเมตตาตา่อคู่คนที่มาเกี่ยวขอ้องเจริญเพลเพลแพรเจืิญจันยังไงเราเป็นพระถึงยังไงเราก็เป็นพระเลี้ยงชีพยอย่างพระเป็นอยู่อย่างพระขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้ก็เรื่องทานเรื่องศีล เรื่องสมาธิก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดทำจิตใจให้เป็นหนึ่งจิตใจให้สงบให้กำหนดลมหายใจเข้ า, าทางมันยังเผลอไผลกันนะหายใจเข้านับหนึ่งนับสองอย่างที่หลวงพ่อพูดจากนั้นเมื่อจิตใจรวมสงบนิ่งเป็นมาตรฐานนิ่งพอสมควรพิจารณาทางด้านปัญญานะพิจารณาร่างกายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดร่างร่างกายเป็นหินรับปัญญานะพิจารณาร่างกายจน ละเอียดทีทวนแล้วดิเพคกดูตรงไหนอย่างไงเป็นเห็นแต่ในจังทุกขังอนัตตาเห็นแต่สุภาพฏิกูลเห็นแต่เกิดแก่เจ็บตายเห็นแต่ของเน่าของเปื่อยในร่างกายอันไหนที่เจ็ดสวยงดงามดูซิต่อไปภายภาคหน้าเป็นยังไงความสวยงามจุดนี้ในเมื่อเท่าแก่ชลาและเป็นยังไงของเขาของเราพิจารณาดูให้ถีทวน ท, วนทวนทีแล้ว ใจของเรามันโนคือใจเียบตัวผู้รู้เนี่ยก็จะปล่อยวางไม่ยึดมัน่นถือมัน่นนั่นแหละมรรคผลนิพพานทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมาย้อนมาหาจุดนี้นะพาลูกพหลานทั้งหลายเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะผู้จะดำรงสรงศน า, าให้ตั้งหลักให้ให้แน่นตั้งใจให้มัน่นคงดูให้ดีจุดนี้นะ ถ้าเอาชนะจุดนี้ได้ชนะทุทกแห่งโหนเลยไปอยู่นะิสถานที่ไหนไม่ว่าแต่แตสิบทิศนะร้อยทิศพันทิศหมื่นทิศเล็กแสนทิศชนะทั้งหมดไม่ต้องว่าชนะสิบทิศนะชนะใจตัวเองเพียงเท่านั้นแหละเป็นผู้บริสุทธิท์หลุดพ้นแล้วเป็นพระรหันต์แล้วจะมาในทิศไหนทิศน้อยทิศใหญ่อมาทางไหนชนะทั้งหมดเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเป็นผู้ไม่เป็นผู้ดําลงมั่นอยู่ในหลัก เหตุผลไปอยู่เป็นผู้นำาลงมั่นอยู่ในหลักธรรมอ่าเป็นผู้ไม่วันไหวไกวแกวงเป็นผู้บริสุทธิก์กิเลสจะมาทางทิศ ท, ทางไหนเอาชนะได้ทั้งหมดนะเพราะนั้นในพวกเราประพฤติปฏิบัตินะนี่แหละหลักธรรมความสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนาสั่งสอนพวกเร า, เาต่อเ น, นี้ไปสวดท้ายปฏิโมกนะท่นนี้นะ